เราได้ปฏิบัติตนได้ไดปจิญญาณตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ระลึกพระพุทธเจ้าตามความ ร, รู้สึกโดยทั่วไปหมายถึงองค์ชายสิท ธ, ธัตถะที่เสด็จออกบัพพชาทรงบาเพ็ญ สมาธิภาวนาได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเมื่อว่าโดยรูปธรรมก็ได้แก่สกลกายของพระพุทธองค์ว่าโดยคุณธรรมคือความรู้สึกสำนึกชอบช่วดี เอมีอยู่ในจิตของเราซึ่งทุกๆคนก็มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีแม้แต่วันนี้เรามาประชุมนั่งสมาธิกันก็อาศัยพุทธธรรมคือความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจ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 แต่เมื่อคุณธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตก็หมายถึงความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีนั่นเองอันนั้นคือคุณธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธอันนี้คนเรามีกันอยู่ทุกคนตั้งแต่เกิดมาแต่ว่าเจตพุทธลำพังแต่ความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดี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 เริ่มต้นแต่มีความรู้สึกสำนึกกิจชอบชั่วดีจิตจุดนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเป็นคุ ณ, ณธรรมที่ทำให้จิตเป็นพุทธื่อท่านผู้ใดสามารถทรงไว้ซึ่งคุ ณ, ณธรรมอันนี้แม้ชั่วขณะจิตหนึ่งหรือนานๆานานก็ตามก็ได้ชื่อว่าทรงไว้ซึ่งพระธรรม คือทรงไว้ซึ่งพระธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธะนั่นเองทีนี้ตามธรรมชาติของผู้ที่มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีจิตนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานท่านู้นั้นจะต้องมีเจตนามตั้งมัน่น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 ทีนี้เมื่อเราได้บรรลุถึงจุดที่เรียกว่าทำจิตให้เป็นพุทธะเมื่อเราจะปฏิบัติจิตของเราให้เป็นไปตามคำนองคำสอนของสมเด็จพระสัมษษษสมาสัมพุทธเจ้าเราจึงมาถัสสมาทานศีลห้าข้อ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 เพราะว่าภาระ ก, กังวลที่จะต้องสัง b o n ระวังมันน้อยกว่ากันเพียงแต่เรายึดหลักว่าพระพุทธเจ้าข่าไม่เป็นเราไม่ข่าพระพุทธเจ้าลักขมโมยไม่เป็นเราไม่ลักขมโมยพระพุทธเจ้าช่อโกงไม่เป็นเราไม่ช่อไม่โกง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 เรายึดหลักศีลห้าเป็นหลักปฏิบัติเพื่อกระจัดสิ่งที่เราจะพึงทําตามอํานาจของกิเลสในขั้นต้นเราจะต้องอาศัยความอดทนและสัจจะความจริงใจเ <c oughs> มื่อเราอาศัยความอดทนสัจจะความจริงใจ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 ว่าจะเป็นปกติก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งน้นให้จิตใจของเราเกิดความเป็นปกติเมื่อความปกติเริ่มเกิดขึ้นที่ใจของเราความคิดจะฆ่าเบียดเปียนกลมเหงรังแกมันก็น้อยลงหรือหมดไปไม่มีเลย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 การทำสมาธิ <c oughs> ถ้าท่านจะนึกถามในใจว่าการทำสมาธิทำอย่างไรก็จะได้คำตอบว่าการทำสมาธิคือการทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะเป็นอะไรก็ได้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 การท่องพุโทโธเนี่ยท่องเหมือนเหมือนกับเราท่องเล่นเล่นไม่ต้องการผลตอบแทนใดๆแต่เราท่องไม่หยุดและเราก็ไม่บังคับจิตให้เกิดมีสมาธิเป็นแต่เพียงตั้งสติกำ น, นดจิตท่องพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธเอาไว้ตลอดเวลา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 สํมมาลหังยศหนอพองหนอเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทมเราสามารถที่จะท่องได้ตลอดเวลาแต่ในขณะใดที่เราจะต้องจะต้องพูดเมื่อพูดก็ให้มีสติรู้อยู่ที่คำพูดเมื่อคิดก็ให้มีสติรู้อยู่ที่ความคิด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 เหมือนเหมือนกับเราไม่ได้ตั้งใจจะดูจะรู้แต่เอาความรู้อยู่โดยธรรมชาติของจิตนั้นรู้เลื่อยไปถ้าทำได้อย่างนี้เผื่อว่าสมาธิกำลังจะเริ่มแล้วสมาธิจะไม่ถอนแต่ถ้าจิตแสดงอาการสงบลงไปบ้าง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 เราก็เอาสติตัวเดียวเท่านั้นกําหนดรู้สิ่งที่เราทําอยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาธรรมะขอยืนยันกับท่านทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายที่เรียนจบสูงๆมาแล้วเคยปฏิบัติสมาธิมาแล้วทั้งนั้นแต่ท่านเองท่านก็ไม่รู้สึกตัวว่าได้ปฏิบัติสมาธิ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 ที่เกินยันว่าท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติสมาธิมาแล้วเพราะเวลาท่านวิจัยงานของท่านท่านใช้ความคิดวกไปเวียนมาด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่ในขณะนั้นท่านกําลังเริ่มปฏิบัติสมาธิพอคิดไปคิดมาเรารู้สึกเคริ้มเคลิ้มหรือกระเถือไปนิดหนึ่งจิตว่างลง สิ่งที่เราต้องการรู้มันผุดโผล่ขึ้นมานั่นคือปัญญาในสมาธิเพราะฉะนั้นการปฏิบัติสมาธิอย่าไปยึดหลักและวิธีการมากเกินไปแบบและวิธีการที่ท่านบัญญัติเอาไว้ในหมวดกรรมฐานสี่สิก็ดี หรือการเจริญวิปัสนาพิจารณารูปนามาธาตุขันธ์อายตนะก็ดีอันนั้นมันเป็นแต่เพียงวิธีการเป็นวิธีการที่ท่านเขียนเป็นแบบอย่างเอาไว้เท่านั้นเองแต่เมื่อใครจะต้องจะตั้งใจปฏิบัติสมาธิอย่างเอาจริงเอาจังเราอาจจะไม่ไปยึดหลักในคำภีก็ได้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 เมื่อจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกธรรมชาติของจิตจะต้องเพิ่มพลังงานมากขึ้นทุกทีพลังงานตัวที่สำคัญก็คือจะทำให้เรามีสติตีเข้มแข็งและว่องไวขึ้นแม้ว่าจิตจะยังไม่สงบเป็นสมาธิได้ยานได้ชนันใดๆก็ดีแล้วจะทำให้เกิดสมาธิเมื่อภายหลัง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 การกำหนดรู้ลมหายใจของพระองค์เพียงแต่ว่ามีพระสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเฉยอยู่เท่านั้นเองไม่ได้นึกว่าลมหายใจสั้นลมหายใจยาวลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดแล้วเขาไม่ได้บังคับจิตให้เกิดมีความสงบแล้วก็ไม่ได้แต่งลมหายใจให้หยาบให้ละเอียด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 เคยคิดขึ้นมาเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจพระองค์ปฏิบัติโดยอาศัยหลักดังที่กล่าวที่แรกจิตของพระองค์ก็เดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างอยู่ในสามจังหวะนี้แล้วในที่สุดจิตของพระองค์ก็มาจับลมหายใจอย่างเหนียวแน่น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 พอลมหายใจแผ่วเบาลงไปเบาลงไปเบาลงไปพระองค์ก็มานึกว่าลมหายใจยังอยู่จิตก็หยาบขึ้นมานิดหน่อย <c oughs> แล้วก็ปรากฏเห็นลมหายใจอย่างชัดแจ้งในที่สุดจิตของพระองค์สงบละเอียด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 ทั้งอวัยวะภายนอกด้วยในขณะจิตเดียวจะมองเห็นผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกม้ามหัวใจตับปอดผังผืดครอบอาการสามสิบสองซึ่งในขณะนั้นจิตของพระองค์สงบนิ่งแล้วโล่เห็นทุกสิ่งทุกอย่าง